ทำกันได้เวลานานๆตั้งสี่สิกววันก็ได้แต่ท่านก็ต้องทุกข์ของท่านเต็มที่เป็นแต่เพียงว่าแง่งการปฏิบัตินั้นผิดกันกับพระพุทธเจ้าตอนที่พระองค์ทรงอดภรยาหารไม่สวยเลยสี่เก้าวันนั้นเป็นความมุ่งจะตรัสรู้เพราะการอดอาหารนั้นเท่านั้นโดยไม่มีความเพียรทางจิตใจเข้าเกี่ยวข้องเลย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 ควมทุกข์ความลำบากมากมายจะไม่รับความทรมานทั้งทางหน้านปิจใจด้วยต้องทรมานอย่างเต็มที่ต้องทุกข์อย่างแสนสาหัสจนกระทั่งในตรัสจะรุ้แล้วโดยวิธีที่ถูกต้องคือจงกำหนดอนาตานาาต้าสติแล้วจึงได้เบาพระไยลเยียกว่าเป็นคนณะโลกอีกเช่นเดียวกันรูปพระไัยที่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 มีกุมายป้ายทางไว้แล้วว่าต้องเดินต้องทำไปตรงนี้เราก็ต้องทำแน้แต่ภูเขาก็ต้องเจาะ อ, อันทรุเข้าไปเช่นถ้ำขุนตาลเป็นต้นนี่ยต้นไม้จะใหญนาขนาดไหนลูกรุงน้ำเทียงไรก็ต้องถากต้องทางถุงต่าก็ต้องขุดทําลายกันลงจนเป็นที่ราบลื่นเป็นทางที่ควรเดินได้แต่เราจะเลือกเอาที่อื่นมันเลือกไม่ได้ การดาเนินปฏิปัติธตามหลักธรรมเทพเจ้าทรงตรัสรรก็ถือเอาเรื่องกิเใจของที่มีกิเลสอยู่ภายในใจของเราว่ามีมากน้อยเท่าไรถ้ากิเกลสเรานั้นหนาถึงมืดดํากรรำตาแต่จะให้มันส้นเร็จเจะจิ้นให้มันออกหมดด้วยการเนึกออกเพียงเท่านั้นได้แล้วครับ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 ความรู้นี่แหละที่เรารู้รู้อยู่เวลานี้ถ้าว่าอาภัพก็คือธรรมชาตินี้เป็นทู้อาภัพเพราะไม่มีอำนาจไม่มีความรู้ความเฉลียวฉลาดทอที่จะปกื้องสิ่งที่อาภัพนั้นออกจากจิตจิตเป็นกลายเป็นจิตอาภัพไปแต่เมื่ออาศัยการอารมอยู่โดยสม่ำเสมอจนมี ความสามารถและฉลาดสิ่งที่เอาทาพออกไปจากนี้ก็กลายเป็นใจที่อัศจรรย์ขึ้นมาเพราะไม่มีอะไรที่เป็นของอาภาัพไปเกี่ยวเนื่องหรือไปแทรกซึมถ้าว่าอาภาพัพ ก, ก, ก็อยู่กับจิตตอดประเสริฐก็อยู่กับจิตเป็นแต่เพียงวพลิกตัวออก่าน มันนี้การแยดยทำเพรเห็นตั้ขอเกลืออันนี้รู้สึกใหน่อย